ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ยังคงเปลนคงวาอยู่แต่ผู้ปฏิบัติมาอยากจะมองข้ามไปว่าสมัยนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีเดินเหมือ น, นสมัยพระองค์ยังทรงกระชนอยู่าะผู้กระพื่อปฏิบัติอาจทำแต่คอยเห็น ในนีมากมีผลโดยส่วนใหญ่มักอยากะทรงงสยหรือกล่าวสู่ดูถูกไปคำนองนี้แต่ความจริงผู้ที่ท่านปฏิบัติธรรมท่านก็มเมเตอร์อวด ว, ว่าท่านได้อะไรจากการปฏิบัติออกจากตัวของท่านจะรู้จะเห็นความเป็นจริงหรือความสุขความสบายความละความถอนคาม ปล่อยวางองใจเพราะพาะวินัยทางภายาอจะนาผูดโดยเฉพาะเรื่องของพระการพูดเรื่องธรรมะว่าเราได้เราทิ้งอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทางที่พวินัยห้ามเอาไว้ถ้าใครไปฝ่าฝืนหรือผูดไปทำนองนั้น ก็เป็นอันว่าฝ่าฝืนการทำลินัยในเคารพในพระลินัยที่พระศาสดาทรงบัญญัติเอาไว้เพระนั้นอย่างธรร ม, มะที่คนสงสยัยโดยส่วนใหญ่ก็คือผู้ไหม่ประพฤติปฏิบัติเมื่อตัวเองไม่รู้ไม่เห็นใม่ลงมือประพฤติปฏิบัติอัดทำอะไรก็เลยสงสยัยว่าธรร ม, มะหมดไปเสื่อมไป การจิงธรรมะเป็นอาการหรือการทำคือไม่มีการมีสมยัยพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระสนอยู่หรือปรินิพานไปธรรมะคือของจริงก็ยังมีอยู่มันเสื่อมไม่เสียไปที่ไหนเพราะธรรมะมีอยู่กับกายกับใจของบุคคลคนที่ยังมีกายมีใจ ธรรมะยังมีอยู่รูปประทับคือรูปที่เรามองเห็นด้วยตาจึ่งเป็นวัตถุนามธรรมคือเรื่องที่มองมาเห็นด้วยตาเช่นเวทนาสัญญาสังสารวิญญาณมีเยียกว่านามธรรมธรรมเหล่านี้มีประจําบุคคลทั่วไปจึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ า, ย, ายังมีอยู่ของจริง เกิดจากรูปและนามเหล่านี้พอยังมีอยู่ม่ได้เสืมไม่ได้เสียพระพุทธเจ้าไม่ได้หอบหาบอัดทำที่ทรงสแสดงแก่สัตว์เมื่อเวลาท่านไปเทปฏิบัติหรือท่านไปรรนิพพานท่านก็ยังบอกไว้ว่าให้ปฏิบัติตามธรรมวินยัยธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนเราสถาคด ธรรมศตร์เอาไว้อย่างนั้นฉะนั้นการจะพิจาปฏิบัติอัจทำทางพระพุท ธ, ธาาศาสนายึงควรพิจรารณาเรื่องผีพระพุทธเจองค์ทรงบอกบอกอะไรเรื่องสศรประฐานสี่หรืออธิบดีสามารถประานสี่มันนี้อยู่ที่ไหนถ้าเราพิจารณาแล้ว ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นก็่มีอยู่ที่ตายที่ใจของมนุษย์เราเสริญสมาทานสีการสังวระวังไม่ให้บาปคือความชั่วเกิดขึ้นในสันดานของตนความชั่วที่เห็นได้ไปจักทั่วไปก็คือความชั่วที่อยากเกิดขึ้นจากตายเกิดขึ้นจากวาจา ควมชั่วที่ละเอียดเข้าไปก็คือการเกิดขึ้นจากใจเงื่อทำเมื่อพูดเมื่อคิดอะไรเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นสักอื่นเป็นไปเพื่อทำตนให้เดือดร้อนวุ่นวายถึงถ้าพูดใช้เจ้าจะไม่บัญยัติแตเป็นความชั่วมันก็ชั่วอยู่เอง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 แต่ส่วนความละเอียดทข้าไปทีงใจความโลกความโกรธความหลงถ้ามีอยู่มากเข้าก็จะแผกเขาใจของเราให้เดือดร้อนเหมือนกันยังคิดปรุงขึ้นก็ได้รับความไม่เป็นธรรมแตรับความเดือดร้อนเขาตนเองก่อนคนอื่นพอมีจำนวนมากเท้าก็ระเบิดออกมาทางายทางวาจา เหตุนั้นคนที่ต้งรวมระวังแม่ความชั่วเกิดขึ้นมาเผาตัวเองจึงได้ชื่อว่าปัดท า, น, ทา น, ทนความเปี่ยนคือสังวรระวังแม่ความชั่วถั่วไปมาเกี่ยวข้องใจวายใจาใจของตนมันสนละระสางสักก็อออยู่สม่ำเสมอไปเพราะใจของบุคคล จะเศร้าหมองหรือผ่องไสได้ก็ อ, อาศัยอารมณ์เึีงเกิดขึ้นจากตัวเองก่อนคนอื่นจัดอื่นซึ่งเราเห็นเข้าเรานำมาแผดเผาตัวคอเราถ้าหากในชอบออจิตติดใจเห็นว่าเขาทำใส่ตัวอย่างนั้นพูดใส่ตัวอย่างนี้ก็ เ, เลยเกิดความไม่ดีในงามขึ้น กามจริงมันเกิดขึ้นจากตัวเองคำพูดหรือการกระทำของเขา้าเราเห็นว่าเขาทำไม่ดีของไม่ดีแล้วถ้าเราเป็นคนฉลาดทำไมไปเก็บเอาของส่วนนั้นมาทำให้ใจของตัวเศร้าหมองเบื่กร้อนนี่เรายั ง, งโง่ไม่ต้ววงวรระวังตัวของตัวนี่รียกสมรภูมิทานท่านให้ต้งวอนระ ว, วงัง าากายวายใจใจข่องตนระวังในความชั่วทั่วไปซึ่งจะทําตายทําวายจาาทํใจให้เดือดร้อนแผลเปรี้ยวตัวระวังไว้สาละาไว้รอมเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลเข้ามาสู่ตัวคองตัวปรหารประทานหมายถึงว่าความชั่วที่นี้อยู่ในตัวแล้วส่วนไดที่ชั่วที่เสียเห็นคนอื่นเขาประพฤติ เ็นคนอื่นเขาทาเห็นคนอื่นเขาพูดเราเองก็ไม่ชอบจิตชอบใจแต่มีอยู่ในตัวของเราเราก็ควรสำระสะสางออกไปตลอดเช่งตัวของใจเองอยู่จิตข้องปราหัปป่าหานความชั่วเหล่านั้นให้ตกไปมาให้ความชั่วใหม่เกิดขึ้นโดยการสั้งวรความชั่วที่มีอยู่ก่อนสำระ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 ทุกการทุกเวลาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมีความสุขเพราะความทั่วทั่วไม่เด็ดแตเกาะเกี่ยวความทั่วที่เกิดจากคนอื่นจบเมอบให้คนอื่นเขาเสียความทั่วของตัวเองก่สําำลักสะสางไม่เก็บข้างไว้ในจิตในใจของตัวนี่เรียกว่าทางฝ่ชั่วฝ่ายเสียระวังสั้งวรและประหัตปหารให้หมดไป ทวามดีส่วนใดจึงเรียกว่าภาวนาปทานควรจะเกิดจะมีก็พยายามจะทำให้เกิดให้มีเห็นในตัวของตัวเช้นต้นว่าทานการบริจาคเราให้ไปการให้ทานโดยควนใหญ่มักผิวว่าเสียไปโดยไรประโยชน์ไม่ได้อะไรตอบแทน ความจิงคนที่มีกต ха ภายในใจให้ไปแล้วมีความยิย่นแย่เฉามใสมีความเบิกบานภายในตัวของตัวคิดเช่นเมื่อใดความสุขของใจเกิดขึ้นพักพวกเพื่อนฝูงที่รับใครยทานการสงเคราะห์หรือการบูชาจากเราก็มีความรักใคร่มีความสนใจในตัวเราตัวของเราก็เลยเป็ น, นเสน่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 ในสถานที่สมบูรณ์ปูนสุกมีสมบัติพัสถานเทียงพอบริบูรณ์ทุกอย่างมีอำนาจของการให้ทานก่อทำก็อเป็นการทาจิตทาใจให้ยืนแยนแยมสายอย่างหนึ่งซึงเรียกว่าบุญบุญนี้ไม่ได้มีมาจากที่อื่นตัวของเราเป็นคนจะสะสมเป็นคนที่จะทาคนอื่น <c oughs>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 พูด ง, ง่ายๆสาธิจัจนากันหยับทายทางภาษศาสนาโลกที่เดียดร้อนอุ่นวายอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้ก็ดีหรืออดีต ท, ที่ผ่านมาแล้วก็ดีอนาคตที่จะเป็นไปทางหน้าก็ดีเพราะมานุษย์ไม่มีศีลถ้าคนมีศีลแล้ว <c oughs> โลกนี้จะมีความเย่ยกเย็นเป็นสุขกฎหมาย ที่บัรญัดขึ้นไว้ทุกตารางที่มีแต่คนโทษคนชั่วก็เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นเขาเมือนมีศีลคนมีศีลไปสถานที่ใดเป็นมงคลแก่สถานที่นั้นทางตัยเองก็ไม่มีภัยอันตรายคนอื่นที่อยู่รอบข้างก็มีความเบียดเบียนเป็นสุขเพราะศีลที่ในเบียดเบียนกัน ไม่ข้าฟันกันไม่รับไม่มโมยกันไม่มีการนอกจินอกใจกันถ้าพูดถึงสีนของสารวัตรินห้าสานีก็เป็นที่ไหวเนื้อเชื่อใจต้องภรรยาภรรยาก็เหมือนกันไปไหนมาไหนก็ไม่มีการนอกใจของสามีอยู่กันด้วยดียมีความสุขไม่หา้าร้อยเก ยังควพอบริมูรณ์ยินดีในถูกพันของตังวการโกรหกพกลมหลอกกลมคนอื่นตัวของเราเองก็ไม่ชอบเมื่อถูกเขาต้มตุนอย่างนั้นหรือเขาพูดโกหกพกลมอย่างนั้นเราเองก็ควรตวงวนรักษาอย่าไปโกหกพกลมคนอื่นพูดแต่สิงทื่เป็นจัดเป็นจริงพูดถึสุลา การดื่มหน้ามเมาก็เหมือนกันคนธรรมดามีสติสมบูรณ์อยู่เมื่อดื่มธุลาเข้าคนนั้นอากาศกิน ย, ยา่าทีจ ะ, สะแสดงออกต่างๆนานาพูดจาอะไรก็ไม่มีสาระที่จะเชื่อฟังได้ธุลาเป็ น, น, นทางที่ทำให้คนเสียสติเป็นทางที่ไม่ดีอันหนึ่งพระพุทธเจา้าสัน เลงเห็นว่าส่วนเหล่านี้จะเตือนใจถึอความเสียหายเป็นที่ตั้งของความประมาทจึงบัญญัติเอาไว้หิ น, ทนหเทียงห้าข้อทัวนี้แหละถ้าหากโลกพากันตั้งหน้าตั้งตาประเปฏิบัติตามหินของพระพุทธเจ้าแล้วอาวุธยุทธพันฑ์ต่างๆจะต้องขิ้ตงตำรวจทาหารใน้องมีรักษาประเทศชาติรักษาประชาชน เพราะเหตุใดเพราะคนทั่วไปมีสี่ยียาเย็นจนสุขจะ่ไปสถานที่ไหนไม่มีใครอันตรายเพราะสิงของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติเอาไว้หากคนสนใจรักษายังมีอนิสงส์ดีเด่นตลอดกาลตลอดเวลาไม่ใชใ่ทางเสียหายเป็นทางบุญทางผู้สนที่พวกเราทุกคนจะสนใจรักษา ประพฤติปฏิบัติหากเรารักษาได้จิตใจของเราเปรุงไปในทางศีลก็มไม่มีข้อใดที่จะเสื่อมแก่เสียจะเป็นภัยอันตรายแก่ตัวจิตเลยไม่มีการหวั่นไหวมีการตั้งมั่นเพราะไม่มีโทษภัยอะไรมารบกวนเดี๋ยวจิตใจฉะนั้นศีนจึงเป็นทางบุญทางกุศล ที่พวกเราทุกคนจะควรสงวนลักษางเรียกว่าภาวนาประทานคือทำศีลทำทานของตนให้เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เราเป็นสถานอย่ า, กางการสามารถที่จะทำดีและทำชั่วได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วจะดีเด่นถ้าหากไม่มีอาจมีธรรมประจําตัวแล้ว คนนี้หน้าลัวยิ่งกว่าสัตปากเสือที่ดุเขากลัวกันทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีได้ยินว่าเสืออยู่ในสถานที่ใดเขาชอบไปเพราะหนังมันเป็นราคาดูมันเป็นราคาเขาหามาขายแต่เสือคนสมัยนี้เขากลัวกันใหญ่จะอยู่ในบ้านในช่องก็ยังไปแย่งเอาเยาียขาใสขาอะไรกันมันลำบาก นี่คือคนใมเมืองีคนใหเมีสัตว์คนใ่คิดถึง อ, อกเขาอกเราทำไปได้ทุกแงน่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างเหตุนั้นบ้านเมืองจึงเดือดร้อนวุ่นวายคนดีอยู่ไม่เป็นสุขเพราะถูกคนร้ายเบียดเบียนผมเห็นหาทุกคนที่จะน อ, อกตนและคนอื่น เียบยงกันว่าเขาอย่างไรเราอย่างนั้นจะไม่มีใครก้าไปแต่ทำทําชั่วต่างๆจะร่มเย็นเป็นสุขโลกมนุษย์ก่าจะชนิโกสวรรค์ไปเพราะไม่มีอะไรมาเบียเดเบียนกันมีทางให้เกิดความสุขของใจเพราะไม่ได้ไปทำชั่วช้ารามกนอกจากนั้นภาวนาคือการ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 ขันจึงให้ยูกกับบดบริกรรมหรือกับลมหายใจไม่ให้ใ จ, ใจิตใจฟุ่งไฟตามสัญญารมอันอื่นเหงื่อใจมันฟุ่งไฟืองไุฟยโดยหนูมีสติโดยหนูมีปัญญารักษาทางที่จะได้ก็คือความเสื่อมความเสียความเดือดร้อนแต่เรามีสติรักษามีปัญญาแนะสอนจิตใจอยู่สม่ำเสมอ คิดรุงอะไรที่เจรนาให้ถึงจิตถึงใจว่าคิดปรุงไปอย่างนี้ดีชั่วอย่างไรเป็นธรรมเป็ น, นยินัยหรือเป็นไปเผื่อความเหิดเพลินเสียหายเมื่อคิดทีนี้ที่จรนาดูแยบคายแล้วทางหาเส้นทางเสียหายขอละขอนปล่อยวางไปเสียเป็นทางดีควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ก็ให้ปรุงไปคิดไป เพื่อแกไขถ่ายถอนจิตใจที่ติดข้องหรือว่าภาวนาอยากว่ า, า, ว า, า, วาทางเสือปัญญาทางสำลักกิเลสให้รักษาอย่างความดีของใจสม่ำเสมอไปความดีใดที่มีอยู่แล้วอย่าให้เสื่อมให้เสียไปความดีที่ยังไม่ได้ไม่ถึงพยายามกอบปวยแต่ทำบำเพ็ญ เรียกว่าอนุรักษณาปัจฐานคือการรักษาความดีทของตนที่มีอยู่ไม่เสื่อมไม่เสียไปมีประเมนูอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่กายที่ใจของพวกเราคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานกายานุปัชนาเลชนาจิตธรรมมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่กายที่ใจอีกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อคนยังอยู่คำคำสั่งสอนของพุทธเจ้ายังอยู่ ไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสียไปที่ไหนใครตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกายใจคนนั้นแหละจะรู้เห็นเป็นปัดเป็นธรรมขึ้นความสุขที่ไม่เคยเห็นแต่นั่นแต่ไรมาจะประทับในใจองตนเพราะความสุขทางนิราภิเสสุขความสุขที่ปล่อยวางที่เหนือปัญหาความสุขที่งรงรวมข้องใจไม่มีใครเขาขายสัน่นพอจะไปดู อยู่ที่อื่นได้นอกจากการสะเพปฏิบัติภายในตัวของตัวเท่านั้นถ้าเห็นถ้าเป็นในตัวแล้วจะเชื่อในอัธยามคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีวันลืมหลงเพราะเป็นของที่จะเก็บ จ, จำได้ความสุขยิ่งเสด็จเสด็อะไรจะเทียบเท่ากับการสงบของใจไม่มีความสงบของใจเมื่อปล่อยวางละถอ น, อนกิเลสกัญหา รวมรวมไปยังสั๋วชณะเวลาเท่านั้นจะมีความเชื่อมั่นกว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ยังเราปฏิบัติความสงบสงัดเกิดขึ้นเพียงแค่นี้เราก็ยังเห็นคุณความดีบาความสุขที่เรียกว่าอาจทาหรือมรรคผลยังตราบวนอยู่ผู้ปฏิบัติด้วยใจจริง ทำกันทุกวันทุกเวลาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาภาวานาตั้งตาหน้าตัางตาชำระสาสางทำไมท่านจะไม่เห็นไม่เป็นจะเชื่อเชื่องของศาสนาเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงว่ายังคงเส้นคงวาไม่เส้หายไปตามวาจาของคนพูดยังมีอยู่เนี่ยเรารเราเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราเองไมไ่อยู่ตามตํำรับตาลาไม่ได้อยู่ตามการตามเวลาอยู่ในกายในใจป ร, ประฤติปฏิบัติการใดเวลาใดพิจารณากายใจเป็นอันว่าพิจารณาธรรมะเป็นอันว่าอ่านธรรมะรเรื่องกายใจของตัวไม่ต้องรู้ทัวรู้ถึงไปเรื่องอื่นขอเป็นอันว่าถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้า จะสอนคนอื่นบอกคนอื่นไม่ได้จะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นก็ต่ า, ตามแต่ใจิตใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติได้เห็นเป็นขึ้นมีความสุขเพราะความสุขอยู่ในในตัวของท่านยงฟอรอบอลิบูไม่ต้องหาอื่นมาประกอบความสุขส่วนนี้โลกถ่วไปที่ยังไม่ได้ประบัติปฏิบัติมองไม่เห็น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 แต่คนอย่างนั้นให้มาบวชในพระพุทธศาสนารักษากายวาจาใจควบคุมไว้ให้ประบัติปฏิบัติตามธรรมวินัยนคนที่มันพูดอาจจะทำไม่ได้เพราะการปฏิบัติปฏิบัติอาจทำทางศาสนาเป็นการบังคับใจโลกทั่วไปเขาจึงมีภาษิตว่าพัดที่อยู่ได้พัดใจอยู่ยาก ใจของพวกเราเราท่านทั่วไปถ้าหากไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการรักษามากอยากพุ่งปรุงไปต่างๆอยู่ในวัดประพฤติปฏิบัติอาจทำถือว่าเดือดร้อนอยากดูอยากฟังอะไรมีแต่ผิดธรรมลุ่ยในทางนั้นอาจเป็นทางผีที่เหลืชอบแต่จะประพฤติปฏิบัติ ใจจิตแต่งบแต่งหยัดมันฝืนเรื่องของกิเลสมันไม่ชอบแต่ทำและคนที่ไม่มีพื้นฐานดีไม่มีสติปัญญาพิจารณาแยบทายก็มากอยากจะกรลเดิดเตลเตลไปตามเรื่องของกิเลสปัญหาเหลีด น, นั้นละเนนในศาสตร์นาจึงมีจำนวนน้อยไม่มากเหมือนฆราวาสอยาติโยมเพราะรักษาจิตคุมจิต บังคับจิตไม่ได้ปล่อยใจตามสภาพของจีลีปัญหาชอบฉะนั้นผู้ที่บนที่ว่าอย่างพระเนนไม่เป็นประโยชน์แก่โลกเขายังไม่เคยบวชและเขายังไม่ตั้งหน้าตั้งตาไปพฤ่งปฏิบัติรักษาตัวของเขาจริงความจริงผู้อยู่ในาศาสนาถ้าหากไม่มีสติปัญญาแนะนตัวจริงจังยากหนักหนาที่จะมีความสุขเพระ พื้นฐานของจิตคิดปรงไปแต่เรื่องนอกไม่อยากจะคิดจะอ่านเรื่องตัวของตัวเองไม่อยากจะแก้ไขส่วนผิดเสียนี่ใจจะหาเพิ่มความทั่วความเสียต่างๆมาทับผมจิตใจมาเด็ดทิจารณาแยกคา ย, า ย, ายโดยอุบายปัญญาว่าสิ่ที่เราหลงไหลไปเป็นอย่างไรแน่นอนเมื่อมันเป็นอย่างนั้น มันก็จะต่องถูกที่เลือดดึงกระโหูกเลื่อยไปไม่มีสถานที่ใดสอดแยะผลที่สุดก็ตายไปตาไม่ได้ะสร้ประโยชน์อะไรจากการเกิดเป็นมนุษย์จากการสระดับรับฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแฉะนั้นพวกเราท่าน <c oughs> ที่เป็นชาติเป็นเนนกดีที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีมุงหน้ามุงตามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า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 หมอดีวิเศษมารักษาความแก่หายความตายไม่มีแต่ ย, ยันมาจากประเทศไหนสถานที่ใดวิชานั้นจะไม่มีการแก่ไถตกเพราะความเกิดความตายนี้เป็นสัจจะธรรมเป็นอริยสัจเป็นของจริงที่พระพุทธเจ้าผู้เห็นและนักปฏิบัติ จะทีจานาให้เห็นจริงอย่างนั้นแล้วไหมมีการไปห้ามกัน้นขวางถนนคนส่วนใหญ่ที่ทุกจิต ท, ทุกใจก็เพราะเหตุว่าไปขวางถนนเอาไว้ถนนเขาเคยเดินอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่เราไปขวางกัน้นเอาเสียมันกฏผิกดกฎหมายทางบ้านเมืองพอไปกั้นถนนเขาถนนเป็นของกาง ถึงทุกคนจะส่องเที่ยวไปมาท่านใดจิตใจของพวกเราท่านที่หลงไหลฝ่ฝันอยากจะให้สังขารทองตนเป็นไปตามใจชอบก็คือตามฝังนถนนเกิดมาแล้วไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายจะทำอย่างไรจะแก้ไขได้ไม่มีทางถ้าเกิดมาแล้วจะต้องเป็นไปตามสภาพของมัน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 ไม่จริงแปลกปลอมแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้พอยึดมัน่นคือมัน่นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้เมื่อไม่สมใจของตนที่มุ่ง ม, มั่นเอาไว้ใจก็เกิดทุกข์ขึ้นเรื่องของการต่อต้านปฏิบัติศาสนาไม่ใช่ว่าจะไปแก้ไข ท, ที่อื่นแก้ไข ท, ที่ใจของตนถ้าใจเห็นตามเป็นจริงในสภาพเหล่านั้นมันก็ปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยให้วาง มันก็ปล่อยวางเองขณะที่จริารอดตัวการที่เจริาจะรู้เห็นเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยความสงบของใจไม่ใช่ว่าจะอาศัยสิ่งอื่นเยังเราจะซูมเดาคิดเอาโดยจิตไม่มีพื้นฐานของสมถะควาสมสงบของใจแล้วส่วนนั้นจะกลายเป็นสัญญาไปใจก็เลยไม่ถอดไม่ถอนไม่ละไม่ปอดถนนเขาเคยเดิน อยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่เราไปขวางกั้นเอาเชียมันก่อผิดกฎหมายทางบ้านเมืองพอไปกั้นถนนเขาถนนเป็นของปางถึงทุกคนจะท่องเที่ยวไปมาฉันใดจิตใจของพวกเราท่านที่หลงไหลฝ่ฝันอยากจะให้สั้งฐานทุงตนเป็นไปตามใจชอบก็คือการฝังถนนเกิดมาแล้วไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตาย จะท่านอย่างไรจะแจกใไขได้ไม่มีค้างถ้าเกิดมาแล้วจะต้องเป็นไปตามสภาพของมันผู้ที่ปัฏิบัติจะต้องเห็นไปจากชาัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็น ส, สิ่งที่แจกใไ้ไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมดาของมัน <c oughs> ตามเรื่องของธาตุของขันแต่จิตใจของเรายึดถือหรือไม่หรือปล่อยวางได้สะดวกสบาย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 ความสงบของใจแล้วส่วนนั้นจะตายเป็นสัญญาไปใจก็เลยไี่ถอดไม่ถอนไม่ละไม่ปอดฉะนั้นการอบรมจิตใจจึงสุควนที่จะให้มีความสงบของใจเป็นพืนก่อนจึงที่เจรนาต่อไปใจที่มีสมถะคือความสงบมีวิปัสสนา คือการที่นี้ที่จรินาโดยแยกภายแล้วจิเลตันหาตัวไม่ฟังที่จะไปจันบาลหน้าดักเพราะอำนาจอาวุธคือสมาชาทิริปัสนามีอยู่แต่ประหัสประหารคับไล่เรื่องจิเลตันหาอนุสัยต่างๆออกจากใจผลที่สุดใจที่เสยจิตข้่องก็เลยหลุดออกไป ความสุขของใจจะเป็นความสุขที่วิเศษพระพุทธเจ้าเคยเห็นอานิสงส์มาแล้วจึงแนะนำคำสอนพวกบอดมืดอย่างพวกเราใ่ที่นี้ทิจรณาอย่าไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่กายที่ใจท้องตนพิจารณาลงนี้เพราะความยึดมั่นหรือมั่นอยู่นี้เพราะความหลงไหลอยู่นี้ทิฏฐิมานาอยู่นี้กิเลสปัญหาอยู่นี้ มาอยู่ตามตำหลับตารางน in ในอยู่ในดินฟ้าอากาศที่อื่นเกิดขึ้นจากที่นี้มีอยู่ในที่นี้เมื่อเกิดขึ้นจากที่นี้มีอยู่ในที่นี้เราจะไปตํารางสารังที่อื่นไม่ถูกส่องตำล้างสารังาาที่มันเกิดขึ้นขอดถอนที่มันเกิดขึ้นทําลายที่มันเกิดขึ้นมันถึงจะถูกจุด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 ไม่มีอะไรที่ท่านจะยึดมั่นหรือหลงตามผาดขันส่วนนั้นเพราะท่นทนานพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงของท่านปล่อยวางละถอนได้ไหมใช่จะลมปากความจริงของใจผ้าหากเป็นวัตถุที่จะหยิบยกออกมาให้ดูได้ท่านจะเอาออกมาให้ดูนี่นี่เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของใจนี่มันเหลือวิสัยที่จะเอามาให้กันดูได้ว่าใจที่บริสุทธิ์มันเป็นอย่างไร ขอให้ฝึกอบรมด้วยตัวเองเลยต่อไปสงสัยเลยต้องไปถามใครถ้าหากมันถึงที่สุดดีมุดแล้วจะรู้จะเข้าใจด้วยตนเองเพราะทมเป็นสันทิษ ก, กิโกคือเห็นเองเป็นปัจจตังรู้เฉพาะผู้ประพฤติปฏิบัติเหตุนั้นคนทั่วไปจิตตาวตูรูมินว่าศาสนาหมดมากหมดผลเอพราะตัวของ ตัวเขาไม่เคยปล่เพื่อปฏิบัติเข้ามาภายในไม่เลยพิจารณาเรื่รองกายใจท่องตนความเสงบเป็นอย่างไรเกิดมาทั่งชาติจนกระทั่งวันตายไม่เคยประสบพบเห็นความปล่อยวางท่องใจเป็นอย่างไรที่เหลือแต่สรรหาที่หมดไปเป็นอย่างไรไม่ทราบทั้งนั้นคอยใจจะตาวตูดูหมินว่ายศาสนาหมดมรกหมดผลแต่ตนข่องตนไม่ปล่เพื่อปฏิบัติ จะตาวตูเท่าไรมันก็เป็นเหลืองของเขาแต่ตัวของเราผูดเชื่อว่าศาสนายังคงเสจนคงวางมรรคผลยังคงมีอยู่ให้พากันพึงประพฤติปฏิบัติความรู้ความเข้าใจความเห็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในเสด็จทางผิดรักษาเอาไว้ประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวลงไปให้เห็นตามเป็นจริง ตามจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนสาวกเพราะเพราะมนุษย์ทั่วไปหลงในเรื่องของกายทานจริงให้พิจารณาด้วยอุบายต่างๆอยากมาบวชในพระพุทธศาสานาเป็นสามเณรก่อนตามเป็นที่ศุก่อตามจะต้องแนะนเรื่องกรรมฐานก่อนกรรมฐานคืออะไรเจสาโลมานาขาสันตาใส่จก นี่กรรมฐานที่อุปัชาอาจารย์แนสอนเป็นอาวุธสำหรับฝ่าฟันราคาตันหาที่จิตใจของเราไปกำหนัดยินดีฝ่าฝืนธรรมดางหากที่เจรนาแยบทายลงไปอย่างผมมันเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรและฟันหนังเป็นอย่างไรให้เห็นตามสถาบเป็นจริงของมันพวกเหล่านี้ ถึงเราจะไม่สมมุติว่ามันสกระปรกปฏิกูลก็ตามความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นอย่างอีกผมของเราตกหล่นลงไปในอาหารหรือในน้ําดื่มมีหลายๆเส้นน้าดื่มนั้นก็ไม่ต่างที่จะดื่มลงปไปเพราะถือว่าตกปรกอาหารก็ไม่ต่างที่จะรับทานเพรเห็นว่าสกปรกนี่จะผม ขนก็เหมือนกันเล็บแกะออกไปใส่ในอาหารลองดูพอไปหยิบขึ่งนี้ในเล็บคนใครเล่าเขาจะกล้ารับทานพอเห็นเล็บอยู่นั้นฟันก็เหมือนกันหลุดห ล, นล่นลงไปในถ้วยในจานอาหารก็ไม่กล้าอยู่เหมือนกันแต่เราก็หลงพวกนี้แหละเห็น แ, แบบผมมันสวยอย่างนั้นขนมันสวยอย่างนี้เล็บมัน ดีมันงามอย่างนั้นฟันมันเป็นอย่างนี้ยิ่งหนังก็ยิ่งไปกันใหญ่ลองถลอกออกทั้งตัวไม่มีหนังจะหลงกันไหมเจอไม่หลงกันมันหลงของนอกๆนี่แหละเราพุทธเจ้ า, จาซึงสอนให้อุปชาอาจารย์แนะการบวชในที่เจรนาใ้แยบคายคนเรามันเป็นของสกกรปกยิ่งกว่า ตัดอื่นที่เราหลงกันก็เพราะหนังหุ้มกระดูกอยู่แต่เด็กที่เจรณาดูขั่งในและหนังเองก็เป็นของสี่สกปรกต้องชำระสะางอยู่ทุกวันอาบนะ้ํากันอยู่บ่อยๆไม่อย่างนั้นก็เข้ากันไม่ได้เหม็นต่าเหม็นกค้งมันเป็นอย่างนั้นมนมุษย์เราเพราะภายในมันสกปรกของที่เรา หกขันรับคานก็เป็นของสปกปรกอาหารทุกอย่างเป็นของเน่าของเสียไาจะเอามาใส่ในปากในท่องของเราไม่ใช่ของดีเก็บไว้ข้างคืนสองคืนถ้าหากไม่เอาไว้ในตูเน้เย็นเอาเที่ยวไว้ตามธรรมดาก็จะมีกลิ่นเหม็นพุ่งขึ้นาากายก็เป็นอิว่เดือดของสปกปรกมันทึงสปกปรกถ้าหากเอาข้างในออกมาไว้ข้างนอกเอาข้างนอก ยัดเข้าไปทางในมันจะเป็นอย่างไรมนุษย์เราจะรักษาแรงวันได้ไหมเพียงชั่วระยะไม่กี่ชั่วโมงแมลงวันจะมาชี้ใส่เพราะเหตุใ ด, ดเพราะมันเหม็นมันเน่ามันสกรปรกมีการที่เจริญนาตามฐานตามจริงของมันตรงที่เจรณนาอย่างนั้นเพื่อใจจะไม่ให้ใจเกิดตามกำหนัดยินดี รือว่าสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสิงเหล่านี้คงเส้นคงวาหรือป่าหรือมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขอให้พิจารณาลงไปตามเรื่องของมันให้แยบคลายในจิตในใจของตัวเมื่อพิจารณาในอัตธรรมอย่างที่อธิบายมาจิตใจไม่มีวันเวลาฟุ่งฟุงไปสู่ข้างนอกก่อนนับวันจิตใจจะสะงบสงัด ลงไปมีทางที่จะขอดถอนความผิดข้องท้องใจได้ถ้าหากไม่ที่เจรนาอย่างนี้ฟุ่งฟุงไปตามภายนอกถือว่าสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้หลงไปตามอาการที่เขาประดับประดาตกแต่งต่างๆมันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะชาระความกําหนัดยินดีกิเลสตัณหาออกจากใจได้ความผิดข้องท้องใจ ตามยินดีคล่องใจความรักใขร่คองใจเป็นทางที่ทำใจให้เศรหมองเป็นทางที่นำภัยอันตรายมาสู่ตัวของตัวสิ่งใดที่เราำํำระสาสางออกไปได้สิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยอันตรายจะมีความสุขความสบายคิดดู ง, ง่ายๆสิ่งของที่เราสละออกไปแล้วเขาจะเอาไปที่ไหนเราก็ไม่มีการเสียใจเพราะเราเสียสละไปแล้ว ถ้าหากเราถือว่าเป็นของของเราอยู่ทิ่งนั้นแหละจะเกิดโศกเศร้าเสียใจยิ่งรักยิ่งชอบใจเท่าไรสิ่งนั้นก็จะเป็นไขยเป็น อ, อันตรายจะทําจิตทําใจคองตนให้เศร้าหมองเดือดร้อนมากขึ้นอย่างลูกของเราหรือพ่อแม่ของเราหยาดมิดของเราเขื่อนปุงของเราที่สนิทสนมรักใคร่กันจริงจัง เขาล่มหายตายไปมีความเสีย อ, อกเสียใจร้องให้ถ้าหากเป็นศัตรูของเราที่เราไม่ยินดีไม่พอใจกับเขาเราเสียสละแล้วไม่ถือว่าเป็นของเราเพราะจะตายไปวันอย่างคำ่ำที่ศพเราไม่มีการเสียใจมีการเสียสละเป็นอย่างนั้นการพิจารณาถอดขันเป็นตามเป็นจริงกับเหมือนกันเมื่อเห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นของสกปรกอย่างนั้นไม่น่ายินดี ไม่น่าชอบใจไม่น่าติตใจเห็นตามเป็นจริงไม่ใช่สุ่มเดาไม่ใช่ขาดเสนเป็นขึ้นเห็นขึ้นจากจิตจากใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิปัสนาจริงจ่างมันละได้ถอนได้ปล่อยได้วางได้เย็นสบายไม่มีอะไรที่จะมีความสุขความสบายเท่าใจจีละถอนเรื่องกิเลสตันหายนพุทธเจ้าจึง ชมเชยว่าการสะพฤติปฏิบัติศาสนาการรู้เห็นเป็นจริงทางศาสนามีความสงบมีความสบายมากยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกอย่างที่ตัดเป็นลายสิดไว้กว่านัตชิตังติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบปกคือความไม่ไปจิกข้องไม่ไปทั่วพันไม่ฝุ่งุงไปตาม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 ไม่ข้องกับอะไรถ้าสงบได้อย่างนั้นมันจะมีความสุขมากคิดดูแต่ครอบครัวของเราเกิดทะลาะบอแวงกันเกิดคนนั้นไม่สบายคนนี้เป็นไข้ครอบครัวนั้นก็มไม่มีความสุขคู่คลองก็เหมือนกันถ้าเกิดไม่ไปเพือ่อปฏิบัติอาธิธรมเกิดนอก ลู่นอกทางแล้วก็เดือดร้อนร่าง้ายของเราก็เหมือนกันเกิดโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีความสุขความสบายใจของเราสาหาดัดมียิเลสตัณหาโลภกวนก็ไม่มีทางที่จะสงบสบายได้วิ่งว่นอยู่ทุกการทุกเวลาหาแต่สัญญาเรื่องอื่น ม, มาเป็นความสุขแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไม่ค่อยสนใจ ความสุขที่จะแจกะไขตัวเองละถอนกิเลสฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนที่มุ่งมั่นมาปฏิบัติปฏิบัติอัดทำถึงชำระสาสารถึงต่างหนาต่งตางๆภาวนาหาความสุขจากกายจากจิตของตัวอย่าไปหาความสุขส่วนอื่นเพราะความสุขส่วนอื่นเป็นความสุขจอมปอลอมแต่ความสุขที่แน่นอนอยั่งยืน เวลานีุ้่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นความสุขส่วนนั้นจึงไม่ควรผู้มีปัญญาจะไปลหลงไหลสนใจให้หาความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่แน่นอนความสุขที่ตายตัวคือความสุขทางศาสนาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาประพฤ่ดปฏิบัติอดทมเพื่อเข้าถึง จุหมายปลายทางคือนัตถิสันติพลังสุขังจริงจังนั่นแหละแดนความสุขแดนความแตเสมเป็นความสุขที่น่ากราดทั่วไปสลรเสริญเยินยอเป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่น่าเลื่อมใสเป็นความสุขที่ตายใจส่วนความสุขอย่างอื่นมันแปรปวนไม่จช่ความสุข ที่แน่นอนความสุขจากการกินการดื่มความสุขจากการสัมผัสการดูการชมการสดับเราฟังเป็นความสุขภายนอกอยังนิดๆหน่อยๆก่อนหายไปในเหมือนความสุขของใจที่ละถอนสิเหลหมดสึ้นนั่นเป็ความสุขที่พระพุทธเจา้าหรืออริยะเจา้าถวายขันธ์ันและเซิร์น แต่ก่อนที่ท่านยังไม่เห็นไม่เป็นท่านก็เป็นบุตุชนคนหนาเหมือนพวกเรามาได้ทิ่แปลกแตกต่างอะไรกันขาดทันอันเดียวกันแต่ขนานท่านถึงข่อยประพฤติปฏิบัติได้เข้าใจเขียนแจกก็เพราะท่านเชื่อท่านเลื่อมใสท่านยินดีท่านพอใจที่จะได้นาความจริงที่มีอยู่ในตัวของท่านที่พระพุทธเจ้าแนอน ต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติภาวนาจริงจังจิตยอมละยอมทอนยอมลงยอมรวมยอมเห็นความสว่างสวายยอมเห็นการปล่อยวางของจิตของใจเลื่อยไปจนถึงที่สุดดา้านมีพวกเราทุกคนที่ด่านดดนมาเพฤติปฏิบั ต, บติมาจากจีตต่าง <c oughs> ขอพึงทากันพยายามจะทำตามโอวาทที่พระพุูธเจ้าทรงแนะนทำไม่อาฆาติว่าผู้หญิงผู้ชายหลงแจถ้าหากผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมแล้วผู้นั้นแหละจะได้สวยรสของธรรมคือความสุขอย่างทีท่อธิบายมาการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าขอต้องควรเสียเวลา ร้อยที่ไิบวันเจ็แน้วเ